มูลแห่งวิวาทาที่ก่อนอะไรเป็นมูลแห่งวิวาทาที่ก่อนมูลเหตุแห่งวิวาทหเป็นมูลแห่งวิวาธาที่ก่อนอกุสลมูลทั้งสามเป็นมูลแห่งวิวาทาที่ก่อนอักขุสลมูลทั้งสามเป็นมูลแห่งวิวาทาที่ก่อน